แนะนำบทอัลกอラムบทอัลกอラムเป็นบทมักกียะห์มี 52 องค์การบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสําคัญหลัก 3 เรื่องด้วยกัน 1 เรื่องศาลซึ่งพวกปฏิเสธชาวมักกะห์นํามาเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของมุฮัมมัดอิบนูอับดุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 2 เรื่องของชาวสวนเพื่อชี้แจงถึงผลของการเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์ 3 โลกอาคิเราะห์ที่มีทั้งความน่ากลัวและความรุนแรงของวันนั้นและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้สําหรับ 2 กลุ่มคือบรรดามุสลิมและพวกปฏิเสธศรัทธาแต่เป้าหมายหลักซึ่งบทนี้กล่าวมากคือเรื่องการยืนยันการเป็นนบีของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้เริ่มด้วยการกล่าวถึงตําแหน่งอันสูงส่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกียรติยศของท่าน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 ต่อมาได้บทในยกอุทาหรณ์ถึงพวกกุฟฟาตชาวมักกะห์ที่ปฏิเสธความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ด้วยการส่งศาสนทูตคนสุดท้ายมายังพวกเขาและการปฏิเสธของพวกเขาในเรื่องนั้นด้วยเรื่องราวของชาวสวนซึ่งครอบครองสวนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้โดยที่พวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์พวกเขาได้หวงแหนสิทธิของคนยากจนอนาถา อัลลอฮ์ทรงทําให้สวนของพวกเขาพินาศและทําให้เรื่องของพวกเขาเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์แก่ผู้ที่ใคร่ครวญต่อจากนั้นบทได้เปรียบเทียบบรรดามุมินผู้ศรัทธากับคนชั่วทั้งนี้ตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างการชักชวนให้กระทําความดีและการขู่สํารับให้ละเว้นจากการทําความชั่วบทนี้ได้กล่าวถึงวันกิยามะห์สภาพและความน่ากลัวของวันนั้น และท่าทีของคนชั่วและได้จบลงด้วยการให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนต่อการทําร้ายของพวกมุชริกีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอนูนวัลกะลัมวะมายัสตุรุนนูน ขอสาบานด้วยปากกาและสิ่งที่พวกเขาขีดเขียนมันจะบินุอะมะตร็อบบิกะบิมัจญูนด้วยความโปรดปานแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเจ้าไม่ได้เป็นผู้เสียสติวะอินนะละกะลอญรอนไฆรมันนูนและถ้าจริงสำหรับเจ้านั้นมีผลตอบแทนอย่างมิขาดสายวะอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีม และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันใหญ่หลวงแล้วเจ้าจะได้เห็นแล้วพวกเขาก็จะได้เห็นบีไอคุมุลมฟตูนว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าคือคนวิกลจริตอินนะร็อบบะกะฮุวะอะอฺลัมบิมันดัลละอนซะบีลิฮีวะฮุวะอะอฺลัมบิลมุฮตะดีนแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น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 เจ้าอ่อนข้อแล้วพวกเขาก็จะอ่อนข้อตาวะลาตุตอุลฮัลลาฟิมมีนละเจ้าอย่าปฏิบัติตามทุกคนที่เป็นผู้สาบานที่ต่ำช้าฮัมมาซิมมัชออินบินามิมผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่นมันนาอิลลิลค็อยรมุตะดินอะธีมผู้ขัดขวางการทำความดีผู้อธรรม ผู้มีบาปหน๋าออทุลลินบาอ์ดะซาลิกะซะนีนเป็นคนหยาบคายยิ่งกว่านั้นยังเป็นคนหยาบช้าอีกด้วยอังกานะซามาริวะบะนีนโดยถือว่าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีบุตรหลานมากอีดาตุละอะลัยฮิอายาตุนากอลอะซาตีรุลเอาวัลีน เมื่อบรรดาองค์การของเราถูกอ่านแก่เขาเขากล่าวว่ามันเป็นนิยายสมัยโบราณเราจะตีตราบนปลายจมูกเราได้ทดสอบพวกเขาดังเช่นที่เราได้ทดสอบบรรดาเจ้าของสวน เมื่อพวกเขาสาบานว่าจะเก็บเกี่ยวผลของมันในยามรุ่งวะลายัสตัธนและพวกเขาไม่ได้กล่าวคําว่าอินชาอัลเลาะห์ฟาตอฟะอะลัยฮาตออิตุมมิรร็อบบิกะวะฮุมนาอีมานดังนั้นการลงโทษจากพระผู้อภิบาลของเจ้าก็ได้ทําลายสวนนั้น ขณะที่พวกเขากําลังนอนหลับอยู่การเมื่อตอนเช้ามันก็กลายเป็นเช่นสิ่งถูกตัดอย่างราบเรียบดังนั้นพวกเขาจึงกู่ตะโกนให้ตื่นแต่เช้าตรู่จงเข้าไปในสวนของพวกเจ้าในตอนเช้าตรู่เถิดหากพวกเจ้าต้องการจะเก็บ قل ما انطلقوا وهم يتخافتون لاพวกเค้าพากันออกไป โดยพวกเค้าพูดกระซิบซึ่งกันและกันอย่างเบาๆ الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين วะวันนี้อย่าได้ให้คนยากจนขัดสนสักคนหนึ่งเข้าไปหาพวกเจ้าในสวนนั้น وغدا على حرب قادرين แล้วพวกเค้าก็ได้ออกไปแต่เช้า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 พวกเราถูกหวงห้ามสิทธิ์เสียแล้วกาลเอาซตุมอัลลัมอักุลละกุมลาวะตัสบิหุนคนที่มีสติปัญญาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าหรอกว่าทําไมพวกเจ้าจึงไม่กล่าวซุบฮานะอัลลอฮพวกเขาจึงกล่าวว่าพระผู้บริบาลของเราผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ แท้จริงเรานั้นเป็นผู้อธรรมแต่อกบะลบะอฎูมอะลาบะอฎิยะตะลาวะมูนและบางคนในหมู่พวกเขาก็หันไปต่อว่าซึ่งกันและกันฮาเลลูยาไวลานาอินนากุนนาตอฆีนพวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะประสบแก่พวกเราแล้วเพราะเราเป็นผู้ฝ่าฝืนอัสร็อบบะนาอันยุบดิละนาค็อยร็อน ኢਨਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬিনা ਰਾਗੀਬੂਨ ਬੰਦ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਭਿਬਾਨ ਖੌਂਗ ਰੌ ਚਾ ਸੋਂਗ ਪਲੀਅਨ ਸਿੰਗ ਥੀ ਡੀ ਗਵਾ ਹਾਈ ਕੈ ਰੌ। ਥੈ ਜਿੰਗ ਰਾਵੰਗ ਨਾਈ ਕਵਾਮ ਅਪਾਈ ਤੌ ਪ੍ਰਭੂ ਅਭਿਬਾਨ ਖੌਂਗ ਰੌ। ਕਾਦਾਲਿਕਲ ਅਦਾਬ ਵਲ ਅਦਾਬੁਲ ਆਖਿਰਤ ਅਕਬਰ ਲਾਊ ਕਾਨੂ ਯਅਲਮੂਨ। ਚੇਨ ਨੰਲੇ ਕਾਨ ਲੋਂਗ ਤੋਤ ਲੈ ਨੈਨੌਨ การลงโทษในประโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าหากพวกเขารู้อินนะลิลมุตตะกีนอิดร็อบบิฮิมญันนาตินนะอิมถ้าจริงสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงหน้าที่พระผู้อภิบาลของเขานั้นคือสวนสวรรค์อันบรมสุขอะฮะนาญะอุลมุสลิมีนกัลมุญริมดังนั้นเราได้ปฏิบัติแก่บรรดาผู้เป็นมุสลิม เสมือนกับเราได้ปฏิบัติกับผู้กระทำผิดครานั้นหรือมาละกุมไคฟะตะห์กุมูนเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้นอัมละกุมกิตาบฟีฮิตะดรัสูนหรือว่าพวกเจ้ามีคัมภีร์ไว้สำหรับอ่านอินนะละกุมฟีฮิละมาตะคัยยรูนซึ่งในคัมภีร์นั้นมีสิ่งสำหรับพวกเจ้า ที่พวกเจ้าจะเลือกเอาได้อัมละกุมอัยมานุนอะลัยนาบาลิกะตุอิลายะยอมิลกิยามะฮ์อินนะละกุมละมาทะฮ์กุมูนหรือว่าพวกเจ้ามีสัญญาผูกพันกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์ว่าแท้จริงสําหรับพวกเจ้านั้นจะได้กระทําตามที่พวกเจ้าตัดสินเอาไว้ซัลลุมอัยยุฮุมบิซาลิกะซะอีนมุฮัมมัด